เขาลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอา่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองการปฏิบัติไม่ยากนะทําหน้าที่แค่อ่านไปทปาาํ า, า, า, า, 응 า, าทตัวเป็นแค่นักอ่านนักอ่านกับนักประพันธ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมนักอ่านกับนักวิจารณ์ไม่เหมือนกันใช่ไหอนักอ่านกับผู้กํากับเวทีไม่เหมือนกันใช่ไหมล้วทําตัวเป็นแค่นักอ่าน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 ก็ต้องให้แม่ปฏิบัติสิถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมแม่ปฏิบัติจะไปมีได้ไงล่ะนะพวกเราแต่ละคนก็มีดวงตานะแต่ดวงตาของเราเห็นอาธรรม <c oughs> เราอยากได้อาธรรมนะเราไม่ได้อยากได้ธรรมะหรอกใครย อ, อยากให้ชีวิตไม่เที่ยงโดยเขาคำถามเดียวก็จอดแล้วเห็นไม <c oughs> อยากให้มีความสุขถาวร <c oughs> ใช่ไอม <c oughs> ไม่ได้อยากให้ไม่ใช่ยอมรับว่ามันทุกข์นะ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 พอเราไปรู้อารมณ์ที่สบา ย, ชยเช่นบางคนรู้พุโทโธแล้วสบายใจบางคนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วสบายใจรู้อารมณ์ที่สบายใจจิตเท่าไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นจิตเท่จะสงบความสุขนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบงั้นเราต้องรู้หลักนะอย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบพุโทโธเลยแล้วไปพุทโธพุทโธนะนั่งเครียดอย่างเนี้ยจิตยังไงก็ไม่สงบบางคนชอบหายใจหายใจไปแล้วจิตใจมีความสุขนะเพราะจิตใจมีความสุขจิตก็สงบ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 ฟังไปคิดไปนะแล้วเราก็นึกว่าใช่แล้วอย่างเนี้ยเราเชื่อเอาเองความจริงคิดขึ้นมาเองสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองเนี้ยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ะสิ่งที่เราเรียนจากอาจารย์เนี่ยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่การภาวนาเนี่ยทาให้เราเข้าไปดูว่าความจริงกายเป็นยังไงความจริงจิตเป็นยังไงเข้าไปผาเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่คิดเอาเองะอย่าสงสติว่าเราคิดเอาเองว่าตรงนี้ผีดุอะไรนะี้คิดเอาเองผีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้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 คนที่มีประสบการณ์ตรงมีมีคุณค่ามากนะอย่างบางคนเนี่ยเรียนตำราค้าขายมาสู้ท่านพวกเกเรวัดน์อะไรนี้ไม่ได้หไหม <S <S นี่ท่านประสบการณ์ตรงเขท่านมีอะ่ะเนีเพราะงั้นการภาวนานะให้ประสบการณ์ตรงซึ่งอัศจรรย์จรงิงๆเลยล้างกิเลสได้จรงิงๆอย่างพวกเด็กเห็นไหมเรียนดอกต้ดอ ก, ตอดอกเตอร์นะให้มาค้าขายทําไม่เป็นอะ่ะรู้หมดเลยนะวิธีค้าขายทยํายังไง ร, รู้หมดเลยแต่ทําไม่ได้อ่ะ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 ให้ยกตัวอย่างนะจิตเหมือนกับ น, น้ําที่บริสุทธิ์เนี่ยน้าบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสใช่ไหมแต่เป็นน้ําเขียวน้ําแดงเนี่ยเพราะมีสิ่งที่มาเติมลงไปมีน้ําเหม็นน้าหอมก็เพราะมีสิ่งที่มาเติมลงไปสิ่งที่มาเติมลงในจิตนั่นแหละเรียกว่าเจตสิกเช่นความกโกรธจิตโดยตัวเขาเองไม่มีความกโกรธเพราะจิตเป็นธ ร, รรมชาติรู้ทาไมจิตมีความกโกรธขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีความกโกรธมาเติมลงไปในจิตแต่ถ้าเรามีสติดีดดๆนะั้นเราจะเห็นเลยความกโกรธผ่านมาแล้ว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 จิตมันป่วยก็เพราะมันอยากนั่นแหละขอแถวที่สามนะคะแถวที่สามมีท่านใดยอยากจะถามไหมคะอ่านอ้องสกุลแถวที่สามหันขวาค่ะหันขวาคําถามเดียวนะคะเราขอความกรุณาขอความร่วมมือจากท่านด้วยนะคะจะได้ทั่วถึงกันนะคะครับเ อ, อส่วนใหญ่ลูกน้องที่อยู่ในคอนโทรลติดในการมาสุขรวมทั้งตัวผมด้วยฮะแต่นี้จะใช้ข้ออะไรในการที่จะ ปฏิบัติในการที่จะรักพวกนี้ครับทำอะไรนะส่วนใหญ่จะติดในการมาสุขคือฟังชอบฟังเสียงเพลงชอบอะไรก็อค่อยรู้ไปจิตมีความสุขก็ค่อยรู้นะแล้วเราจะเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวสั้นนิดเดียวนะพอเห็นบ่อยๆนะเราจะรู้ว่าโอ้โหเที่ยวหาการมาสุขแทบแย่เลยพอได้มานะเสพได้นิดเดียวก็หายไปแล้ะ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 ค่ะแถวนี้มีท่านใดไหมคะเชิญค่ะสีชมพูเชิญค่ะถ้าเกิดว่าจะขอใช้อายการฉีด ย, ยิ่งกว้าก่อนเพื่อให้ฉีดหลอดได้เป็นอุบายรู้ว่าเป็นอุบายใช้ได้ถ้าปทํำใช้อุบายอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอุบายนะเนึกว่าเป็นหลักอันนี้ใช้ไม่ได้อุบายก็มีประโยชน์นะเอาไว้ช่วยตัวเองยามขับขันอุบายคล้ายๆพาลาเซตะมอน <laughs>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 ค่ะขอบพี่ที่ยืนอยู่ค่ะเสื้อม่วงเชิญค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะห้าใจว่า้ดูการกนกับอนาคตทีาำ่อไปทไมไปดูอนาคตอ่ะปัจจุบันก็ดีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันเพ่งมันตื่นเต้นไว้กดไว้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 นันมรสการท่านอาจารย์นะคะคืออยากจ ะ, ะทราบว่าอย่างกรณีที่ตัวเองนะฮะเดินไปแล้วก็เจอคนคนหนึ่งที่ว่าเคยเรียกว่าอะไรตอนนี้ใจสั่น <c oughs> <c oughs> ตืนเต้นค่ะ <c oughs> คือไปไปทำบุญที่ฐานมานะคะ <c oughs> ก็ได้ไปเจอลูกน้องเก่านะฮะ <c oughs> ที่เขาเคยเบริรเงินไปบอกว่า คุณพ่อไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคให้เขาเบิกในที่สุดเขาก็ออกไปอืมแล้วก็ไม่ได้มาใช่ไงฮะก็ได้คิดว่าเอ๊ะเวลาเจอเขาปุ๊บคือเมาเห็นเขากำลังไหว้พระอยู่ก็เลยคิดช่างเหอะคนนี้นะเขาอะ่ะเคยเบิกเงนเกินเกินแล้วลไม่มาคือแล้วก็นหนีอืแต่ในใจก็บอกช่างเหอะเราพี่สรุปนิดนึงนะคะเพราะมันจะยาวเกินไปค่ะคือส<อ>รุปว่าเราเราเห็นจิตฮะว่ารู้ท่านจิตว่าเรา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 เราขอความกรุณานะคะขอคําถามเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะเรียนเชิญสุดท้ายค่ะสุดท้ายจิตมันไม่ถึงฐานนะหลวงพ่อคะ่ะหนูการาบนมัสการค่ะหนูขอถามเพื่อส่วนรวมนิดนึงอะคะ่ะจะถามว่าหลวงคือทราบมาว่าความสุขเป็นเหตุให้เกิเกดสมาธิใช่ไหมคะและสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาคะ่ะ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 หาอารมณ์ที่มันเป็นกุศลเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือฟังซีดีหลวงพ่อไปเนี่ยนะอ่านหนังสือไปคิดถึงความตายไปยุคนี้ไข้หวัดระบาดเห็นไมไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากาจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรนยคิดถึงความตายจิตใจก็สงบขึ้นมาทำอะไรก็ได้ที่มันจิตแล้วมันเป็นกุศลนะ่ะค่ะขออนุญาตเป็นคำถามจาก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 ะถ้าประมาทตอนนี้เราก็เวลาเกิดปัญหาแล้วมันช่วยไม่ทันแล้วเหมือนตกน้ําไปแล้วนะจะมาถามว่าวิธีว่ายน้ําจะทํายังไงไว่ายได้กี่ท่าอะไรเงี้ยตายตายท่าเดียวค่ะเชิญค่ะรับการวิจารณ์หลวงครับผมขอถามหนึ่งคำถามนะครับเพื่อส่วนรวมนะครับและเพื่อส่วนตัวครับผมรู้สึกว่าดูไม่ใช่ดู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 ความยึดในความคิดความเห็นทิ้งไปก่อนนะตัวนี้เป็นตัวปัญหาต้องใจถึงๆเลยแล้วก็ตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่าไปคิดนำมันนะค่ะต้องขอพายทุกท่านนะคะเนื่องจากเหลือเวลาอีกสี่นาทีสำหรับคำถามนะคะจะขอเป็นคำถามในมือแล้วกันนะคะขอคาแนะนำสำหรับผู้บริหารที่ต้องคิดเรื่องงานตลอดเวลาเจ้าค่ะไม่มีผู้บริหารที่คิดเรื่องงานตลอดเวลาในโลกนี้ไม่มีนะ